ทำให้ถูกดีมีเสียงร่ำร้องรำพันและเสียงอุทธรอยู่ทั่วไปว่าแย่ yeah, ทำงานเท่าไหรเท่าไรก็ไม่ได้ดีว่าแล้วก็น้อยใจบ้างก็เหมา ว, ว่าเจ้านายไม่ดีจึงไม่เห็นความดีของตนบ้างก็โทษเดือนดาวว่ามนตรีเป็นอริหรือพระหัตไม่ช่วยสุกเข้าเสาแทรกทำให้ความดีถูกบังผู้ใหญ่ไม่เห็น ยิ่งในระยะพฤศจิกาธันวาดาวเดือนก็ดูจะได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษในวงราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกองทัพ บ, บกเนื่องจากเป็นระยะพิจารณาบำเหน็จประจำปีเป็นความจริงที่ว่าบางทีหรือบางคนทำงานเกือบตายเสร็จแล้วฟาวไม่ได้ดีและในขณะเดียวกันบางคนดูจะทำงานน้อยกว่าเป็นไหน ต่ได้ผลเกินคาดเลยทำให้คนทำงานมากเกิดท้อใจและคิดใส่ร้ายป้ายโทษผู้คนดาวเดือนให้ยุ่งไปหมดถ้าท่านมีอันเป็นอย่างนี้ลองพิจารณาจากแง่ธรรมะดูบ้างบางทีจะทำให้ชะตาดีขึ้นการทำงานไม่ได้ผลหรือที่พูดกันว่าทำไม่ได้ดีนั้นถ้าเราพิจารณากันด้วยเหตุผลแล้วจะเห็นได้ว่า ความบกพร่องอยู่ที่ตัวเราเองคือเราทำบกพร่องงานก็ไม่ได้ผลข้อบกพร่องที่เป็นปมด้อยของการทำงานเฉพาะที่สำคัญมีอยู่สามอย่างคือทำไม่ถูกดีทำไม่ถึงดีและทำไม่พอดีคนที่มีปมด้อยสามอย่างนี้ทั้งหมดหรืออย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในตัวมักเป็นคนอาภัพคือทำงานไม่ได้ดี ที่ว่าทำไม่ถูกดีหมายความว่าไม่ถูกดีของงานเราทำงานหวังจะเอาดีแต่เมื่อทำไม่ถูกที่ดีของงานมันก็ไม่ได้ดีข้อนี้เป็นเหตุผลธรรมดามดาเหมือนเรายิงนกไม่ถูกนกมันก็ไม่ได้นกเท่านั้นเองงานที่ไม่ถูกดีนั้นมักจะเนื่องจากเป็นคนไม่รู้จักดีของงาน คืองานทุกอย่างมักมีดีประจำตัวอยู่แล้วไม่ว่างานเล็กงานใหญ่คือมันมีจุดที่หมายอยู่ในตัวงานนั้นเช่นงานซักผ้าดีของมันอยู่ตรงที่สะอาดเรียบร้อยงานกวาดบ้านดีของมันอยู่ที่ให้หมดฝุ่นผงและอื่นๆโปรดคิดดูเองจะทำงานให้มันถูกดีได้เราต้องพยายามพิจารณาให้รู้จักดีของงานที่จะทานั้นก่อน าการพิจารณาอย่างนี้เราจะได้ผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่งคือจะพบว่ามีงานบางอย่างที่หาดีไม่เจอค้นหาเท่าไรเท่าไหร่ก็ไม่เจอเช่นสมมติว่าเราจะร้องโบกเวกขึ้นเดี๋ยวนี้แล้วลองคิดหาดูสิว่าการร้องโบกเวกขึ้นนั้นดีของมันอยู่ที่ตรงไหนแม้จะหาวันยังค่ำก็ไม่เจอดีเพราะมันไม่มีดี จะร้องเบาๆหรือร้องดังๆมันก็ไม่ดีทั้งนั้นงานที่ไม่มีดีอย่างนี้เรียกย่อๆว่างานไม่ดีไม่ควรทำเพราะว่าการทำงานที่ไม่มีดีนั้นไม่มีหวังที่จะได้ดีแน่เหมือนหาแก่นในต้นไม้ไม่มีแก่นเช่นต้นกล้วยหรือต้นมะละกอหาจนตายก็ไม่เจอคนทำงานไม่ดีนอกจากจะไม่ได้ดีแล้ว ตัวเองก็จะพลอยเป็นคนไม่ดีไปด้วยการที่เราไม่รู้จักดีของงานเป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เราทำงานไม่ถูกที่ดีส่วนจะมีบางคนรู้แล้วว่าดีของงานอยู่ตรงไหนแต่แกล้งบิดเบือนเสียที่ดีไม่ทำไพล่ไปทำไม่ดีเสียอย่างนี้ก็จนใจช่วยไม่ได้การแก้ข้อบกพร่องในประเด็นที่ว่าทำไม่ถูกดีก็คือ ก่อนจะทำงานทุกอย่างต้องพิจารณาดูก่อนว่าดีของงานอยู่ที่ไหนแล้วทำให้ถูกดีจึงจะได้ดี